เรื่องเศรษฐีชื่อโคสกะสมัยหนึ่งแควนอัลลกัาปะเกิดขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงชายผู้หนึ่งชื่อโกตุฮาลิกเห็นว่าไม่อาจครองชีวิตโดยผาสุกในแควนนั้นได้จึงพาพัญญาชื่อกาลีและบุตรน้อยคนหนึ่งมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพีคือเมืองหลวงของแควนวังสะมีเสบียงอาหารติดมือไปเพียงเล็กน้อยเดินทางด้วยเท้าอยู่หลายวัน สเสบียงที่ติดตัวไปหมดลงระยะทางอีกไกลกว่าจะถึงโกสัมพีสองสามีพัญญาและบุตรน้อยได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสโกตุฮลิกผู้สามีขอให้ทิ้งบุตรเสียอ้างว่าเมื่อเขาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ย่อมสามารถมีบุตรได้อีกแต่ถ้าเขาตายลงบุตรย่อมต้องตายไปด้วยแต่กาลีผู้เป็นพัญญาไม่ยอมทำเช่นนั้น สองสามีพันยาจึงผัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกต่อไปถึงคราวที่มานดาเป็นผู้อุ้มเธอประคองบุตรอย่างถนอมเสมือนประคองพวงดอกไม้แต่ฝ่ายสามีเมื่อถึงคราวอุ้มก็อุ้มไปอย่างนั้นเองกตุฮลิกทราบว่าลูกหลับอยู่ในอ้อมแขนจึงออกอุบายให้พันยาเดินนำหน้าไปก่อนตนเข้าไปใกล้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วทิ้งลูกไว้ที่พุ่มไม้นั้นแล้วเดินตามพันยาไป นางกาลีเลี้ยวกลับมาไม่เห็นลูกจึงถามทราบความว่าสามีทิ้งลูกเสียแล้วจึงคร่ำครวญขอร้องให้สามีรีบกลับไปนําลูกมาโกตุฮาลิกรีบกลับไปอุ้มลูกมาแต่ปรากฏว่าบุตรของเขาสิ้นใจในขณะที่เขากําลังอุ้มกลับมานั่นเองกรรมนี้ทําให้นายโกตุฮาลิกเมื่อเกิดใหม่ในชาติต่อๆมาถูกทิ้งถึงเจ็ดวาระ คือในชาติที่เป็นโคสกะเศรษฐีซึ่งจะมีข้างหน้าสองสามีพัญญาเดินทางต่อไปได้มาถึงบ้านในโคบานคือคนเลี้ยงโคแห่งหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่นายโคบาลมีงานมงคลเกี่ยวกับแม่โค น, นมของเขาและที่เรือนของนายโคบานนั้นมีพระปัจเจกกับพุทธเจ้ารูปหนึ่งมาฉันอาหารอยู่เป็นประจำ วันนั้นนายโคบาลได้จัดแจงข้าวปลายาติคือข้าวที่ปรุงด้วยนมสดไว้เป็นพิเศษสำหรับถวายพระประเจกพะพุทธเจ้าและเพื่อ ง, งานมงคลขณะนั้นเขาเห็นสองสามีพัญญาเดินมามีร่างกายสู้ผอมอิดโรยจึงถามเมื่อทราบความจริงแล้วก็เกิดเมตตาจิตจึงเลี้ยงดูด้วยข้าวปลายาติเป็นอันมากกาลีให้สามีบริโภคก่อน ตัวเองบริโภคเนยสายเพียงเล็กน้อยแต่โกตุฮาลิกเนื่องจากอดอาหารมาถึงเจ็ดแวันจึงบริโภคอย่างมากมากเกินขอบเขตได้รับความอึดอัดเป็นอย่างยิ่งเมื่ออาคันตุกะบริโภคเรียบร้อยแล้วนายโคบาลจึงเริ่มบริโภคเองบ้างนายโกตุฮาลิกนั่งดูเห็นเขาเอาข้าวปลาแยกให้สุนัขตัวเมียซึ่งนอนอยู่ใต้ต่างที่นายโคบาล น, นั่ง โกตัวเฮลิกคิดอยู่ในใจว่านางสุนัขนี้มีบุญจริงหนอได้กินอาหารดีอย่างนี้ทุกวันทุกวันคืนนั้นเองอาหารจำนวนมากที่นายโกตุวเฮลิกกินเข้าไปไม่อาจย่อยด้วยดีได้เขาถึงแก่ความตายในคืนนั้นและบังเกิดในท้องสุนัขฝ่ายพัญญาของเขาทําศพสามีแล้วขอทํางานรับจ้างอยู่ในบ้านของนายโคบาน เมื่อได้ข้าวสารธนานหนึ่งก็หุงถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอบุญกุศลนี้จงสมเร็จแก่ท่าของท่านผู้ร่วงรับคือนายโกตุฮลิกด้วยเถิดนางเป็นผู้ฉลาดคิดว่านางควรอยู่ในบ้านของนายโคบาลต่อไปเพราะได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้ไม่มีทายธรรมถวายก็ยังมีโอกาสได้ขนขวายในบุญกุศลได้ว่าได้ทําจิตให้เลื่อมใส เพียงเท่านี้ก็คงประสบบุญเป็นอันมากต่อมาอีกเจ็ดเดือนสุนัขตัวนั้นออกลูกเป็นสุนัขตัวผู้ตัวหนึ่งนายโคบาลเลี้ยงมันด้วยน้ํานมของแม่โคนมตัวหนึ่งลูกสุนัขโต ว, วันตโตคืนอย่างรวดเร็วเมื่อพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านของนายโคบาลท่านมักให้ข้าวปลายาจกจมันก้อนหนึ่งเสมอมันจึงรักพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้ามาก ส่วนนายโคบานโดยปกติจะไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าวันละสองครั้งลูกสุนัขตัวนั้นตามไปด้วยเสมอนายโคบานได้เอาไม้เท้าตีที่ก่อไม้และที่พื้นบางแห่งเพื่อไล่สัตว์ร้ายในระหว่างทางเขาได้กราบเรียนพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ว่าหากวันใดติดธุระมารับไม่ได้ก็จะส่งสุนัขตัวนี้มาและขอให้ท่านไปโดยการนำของสุนัขตัวนั้น ตั้งแต่นั้นมาวันใดานายโคบานไม่มีโอกาสเขาก็จะส่งสุนัขไปนิมนต์พระปัจเจกพูทธเจ้าด้วยคําพูดเพียงสั้นๆว่าจงไปนําพระปัจเจกภูติเจ้ามาสุนัขรีบวิ่งไปยังสํานักของพระปัจเจกภูติเจ้าเมื่อถึงที่ที่นายโคบานเคยใช้ไม้เท้าตีและร้องสุสุมันจะตะกุยตะกายและเห่าเสียงดังสองสาครั้ง พอรู้ว่าไม่มีสัตว์ร้ายแล้วก็วิ่งต่อไปเมื่อถึงบรรณาศาลาก็เห่าขึ้นสามครั้งเป็นสัญญาณว่ามารับพระปัจเจกคุทธเจ้าขณะที่นำพระปัจเจกคุทธเจ้าไปนั้นจะวิ่งออกหน้าและเห่าไปพลางมีบางครั้งที่พระปัจเจกคุทตเจ้าต้องการจะลองใจมันแกล้งเดินไปทางอื่นสุนัขตัวนั้นจะเอาปากงับชายจีวรของท่าน แล้วนำท่านไปในทางที่จะไปบ้านนายโคบาลด้วยความสัมพันธ์อันมีอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานสุนักจึงมีความรักในพระปัจเจกพูตเจ้าเป็นอย่างมากต่อมาพระปัจเจกภทธเจ้าบอกนายโคบาลว่าจะไปทำจีวรใหม่เพราะจีวรที่ใช้อยู่เก่ามากแล้วจะต้องไปทำที่ภูเขาคันธมาศเพราะมีพระปัจเจกภทธเจ้าช่วยทามากรูปเดยกัน นายโคบานทราบความจำเป็นของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วไม่อาจร้างท่านให้อยู่ทำจีวรณสํานักใกล้บ้านของตนได้จึงอาราธนาด้วยใจเลื่อมใสว่าเมื่อทมจีวรเสร็จแล้วขอให้รีบกลับมายังหมู่บ้านของตนพระปัจเจกพุทธเจ้ารับโดยอาการดุษณีสุนักแสนรู้ฟังพระปัจเจกพุทธเจ้าและนายโคบาลคุยกันอยู่มันเข้าใจเรื่องราวโดยตลอด เมื่อพระประเจคุพิธเจ้าลานายโคบาลเหาะไปสู่ภูเขาคันธมาศนั้นสุนัขยืนมองท่านอยู่ได้ความรักความอาลัยเป็นอย่างยิ่งมันเห่าได้ความอาลัยพอพระประเจคุพิธเจ้ารับสายตาหัวใจมันแตกทําลายถึงแก่ความตายท่านว่าตามปกติสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขมักซื่อตรงไม่คดโกงส่วนมนุษย์มักปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่ง มนุษย์นี้รกเหมือนชัดป่าดูยากเข้าใจยากสัตว์เลี้ยงนั้นดูง่ายเห็นง่ายเข้าใจง่ายเพราะความเห็นตรงไม่คดในข้องอในกระดูกและประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าสุนัขนั้นเมื่อตายแล้วจึงไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเสียงดังก้องกังวานเพราะอานิสงส์ที่เห่าพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยใจเลื่อมใส เขาได้นามว่าโคสกะเทพบุตแต่อยู่ในเทวลโลกไม่นานก็จุติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านกล่าวว่าเหตุที่เทพบุตจะจุตินั้นมีสประการคือหนึ่งเพราะหมดอายุสองเพราะหมดบุญสเพราะหมดอาหาร 4. เพราะความโกรธประการที่หนึ่งหมายถึงเทพบุตที่ทำบุญไว้มากเมื่อเกิดในเทวลโลกแล้ว อยู่ได้พอประมาณก็จุติแต่ไปบังเกิดในภูมิที่สูงขึ้นไปประการที่สองหมายถึงเทพบระบุผู้ที่ทาบุญไว้น้อยอยู่ไปอยู่ไปก็หมดบุญทำกาละเสียในระหว่างแล้วเคลื่อนไปสู่พบที่ต่ำกว่าเช่นมนุษย์เป็นต้นประการที่สมหมายถึงเทพบระบุที่มัวหลวงหลายบริโภคแต่กามาคุณไม่ได้บริโภคอาหารจึงทำกาละกิริยา ระ ก, การที่ 4, หมายถึงเทพบระรุที่ไม่อดทนต่อสมบัติของผู้อื่นริอยาเขาโกรธเขาจึงทำกาละอย่างนี้เรียกว่าจุติเพราะความโกรธโคสกาเทพบระรุล้มหลายเพลิดเพลินในการมาคุณจนลืมบริโภคอาหารจึงจุติเพราะสิ้นอาหารเมื่อจุติแล้วมาปฏิสนธิในท้องของหญิงงามเมืองหรือนครสวเพณีในกรุงโกสัมพี เมื่อหญิงนั้นทราบว่าลูกของตนเป็นชายก็ให้คนรับใช้เอาใส่กระสอบไปทิ้งที่กองหยากเยื่อเพราะโดยปกติหญิงพวกนี้จะไม่เลี้ยงลูกชายจะเลี้ยงแต่ลูกหญิงเท่านั้นเพราะสามารถสืบประเพณีของนางได้พวกกายและสุนัขมาห้อมล้อมเด็กนั้นแต่เข้าใกล้ไม่ได้จึงเป็นเสมือนมาช่วยอารักขาคุ้มครองนี่เป็นเพราะผลบุญที่ทาไว้สมัยเป็นสุนัข ที่เห่าพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยความรักแสดงให้เห็นว่าความดีหรือความชั่วที่บุคคลทำไว้ไม่เคยสูญย่อมหาโอกาสให้ผลตามการอันควรในขณะที่กาและสุนัขยืนห้อมล้อมอยู่นั้นมีบุคคลผู้หนึ่งเดินผ่านมาเข้าไปดูเห็นเด็กจึงเกิดความรักเพียงดังบุตรนึกว่าเราได้ลูกแล้วนำไปเรือนเลี้ยงอย่างลูกของตน เวลาใกล้เคียงกันนั้นเศรษฐีใหญ่เมืองโกสัมพีไปเฝ้าพระราชาพบกับราชปุโรหิตในระหว่างทางจึงถามด้ความคุ้นเคยว่าวันนี้มีเหตุการณ์พิเศษอะไรบ้างราชปุโรหิตเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วตอบว่าวันนี้มีเด็กเกิดใหม่คนหนึ่งต่อไปจะเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองโกสัมพีนี้ กรุงโกสัมพีมีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้มีบุญอีกคนหนึ่งแล้วเวลานั้นพันยาของเศรษฐีใหญ่ก็ลังมีคันแก่จวนคลอดเศรษฐีรีบไปเฝ้าพระราชาและรีบกลับเห็นว่าพันยาของตนยังไม่คลอดจึงมอบเงินจำนวนหนึ่งพันกะหาปะนะให้หญิงคนใช้ชื่อกาลีไปสืบดูว่าเด็กคนใดเกิดวันนี้บ้างให้ขอซื้อมาเขาคิดว่า ถ้าเด็กคนนั้นต่างเพศกับบุตรของเขาก็จะให้แต่งงานกันถ้าเพศเดียวกันก็จะฆ่าเสียหญิงคนใช้ไปพบเด็กคนนั้นในเรือนแห่งหนึ่งจึงขอซื้อมาด้วยเงินหนึ่งพันกะหาปณะนะต่อมาอีกไม่กี่วันพัญญาของเศรษฐีก็คลอดลูกเป็นชายเพศเดียวกันกับเด็กที่ซื้อมาเศรษฐีจึงวางแผนฆ่าเด็กคนนั้นทันที กเกรงเด็กคนนั้นจะแย่งตำแหน่งเศรษฐีใหญ่แห่งโกสัมีไปจากบุตรของตนแต่เศรษฐีจะห้ามบุญวาสนาของคนได้หรือไม่คอยดูต่อไปครั้งที่หนึ่งเขาให้นางกาลีหญิงคนใช้นำเด็กไปวางไว้หน้าคอกโคเพื่อให้โคเหยียบตามปกติเมื่อโคบานเปิดอคอกในเวลาเช้าโคอื่นๆจะออกมาก่อนส่วนโคนายฝูงจะออกทีหลังแต่เช้าวันนั้น โคนายฝูงเรียบออกจากข้อ ก, ก่อนแล้วยืนคล่อมเด็กไว้ส่วนโคอื่นๆเสียดสีโคนายฝูงออกไปทั้งสองข้างโคบานเห็นผิดสังเกตเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปดูเห็นเด็กน้อยนอนอยู่เกิดความรักดังบุตรขอมตนจึงรีบอุ้มไปเรือนมอบให้พัญญาเลี้ยงไว้อย่างบุตรนางกาลีแอบดูอยู่เห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเศรษฐีมอบทรัพย์ให้อีก่พันกหาปณะนะ เพื่อให้กาลีไปซื้อเด็กคนนั้นมาครั้งที่สองเศรษฐีให้นำเด็กนั้นไปทิ้งไว้ที่ทางเกวียนหน้าประตูเมืองด้วยหวังให้โคเกวียนเหยียบถ้าโคไม่เหยียบรอกเกวียนคงบทขยี้แหลกในการเดินทางครั้งนั้นนายกองเกวียนซึ่งนั่งอยู่ที่เกวียนคันหน้าได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดซึ่งไม่เคยเห็นคือเมื่อโคเดินมาถึงที่แห่งหนึ่งได้สลัดแอกออก แม้ชาวเกวียนจะพยายามสวมเข้าอีกอีกครั้งกี่หนมันก็สลัดแอกออกทุกครั้งไปยืนนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวทำอยู่อย่างนี้จนสว่างนายกองเกวียนลงไปดูเห็นเด็กน้อยนอนขวางทางอยู่บังเกิดความรักเหมือนลูกจึงนำไปเลี้ยงไว้เศฐีทราบเข้าให้ซื้อเด็กมาอีกครั้งที่ 3, สามเศฐีให้นำไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าผีดิบด้วยหวังว่า สุนักหรืออมนุษย์คงทำร้ายเด็กถึงตายแน่ครั้งนั้นคนเลี้ยงแพ้คนหนึ่งนำแพ้หลายร้อยตัวไปเลี้ยงใกล้ป่าชา้าแม่แพ้ตัวหนึ่งเท่ากินใบไม้เข้าไปใกล้พุ่มไม้นั้นเห็นเด็กน้อยแล้วมีความเอ็นดูจึงคุกเข่าลงให้เด็กดื่มนมร่างของมันเป็นสัตว์ดิราฉานแต่ยังมีน้ำใจกรุณาเมื่อคนเลี้ยงแพะร้องไห้เห่เหอยู่ แม่แพะก็หาเคลื่อนไหวไหม่คนเลี้ยงแพะจึงเดินเข้าไปใกล้คิดว่าจะตีซะให้สมดือ้อแต่แล้วเขาต้องวางไม้เมื่อเห็นภาพอันน่าประทับใจ ย, ยิ่งนักคือเห็นแม่แพะกำลังคุกเข่าให้เด็กดื่มนมอยู่เขามองดูด้วยความชื่นชมพลางเปลยว่าเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักถนอมชีวิตของผู้อื่น แต่บุคคลผู้ทําให้ชีวิตนั้นเกิดขึ้นแล้วหารับผิดชอบถนอมชีวิตไม่ช่างหน้าละอายเจ้าเหลือเกินคนเลี้ยงแพะนําเด็กนั้นไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเศรษฐีให้นางกาลีไปซื้อมาอีกครั้งที่ 4, เสเศรษฐีให้นําเด็กไปทิ้งที่ภูเขาเป็นที่ทิ้งโจร น, นางกาลีได้ทําตามนั้นณที่นั้นมีกอไผ่ใหญ่มากกอหนึ่งขึ้นที่เชิงเขา จเจริญเติบโตไปตามแนวภูเขาปลายของกอไผ่ประสานกันแน่นหนาะเป็นพุ่มใหญ่เมื่อเด็กถูกทิ้งลงไปนั้นเสมือนตกลงไปในเปลผ้าในวันเดียวกันนั้นหัวหน้าช่างสาลมีความต้องการไม้ไผ่จึงชวนบุตรไปตัดไม้ไผ่แถวนั้นเมื่อต้นไผ่ไหวเด็กก็ร้องออกมาช่างสาลและบุตรได้ปีนขึ้นไปทางภูเขาด้านหนึ่งเห็นเด็กนอนอยู่ เกิดความรักจึงนำไปเลี้ยงไว้เศรษฐีให้คนไปซื้อมาอีกเมื่อเศธฐีพยายามฆ่าอยู่เช่นนี้เด็กก็เติบโตเป็นดรุณมีนามว่าโคสกะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สำหรับเศรษฐีแล้วเขาเป็นเหมือนหนามที่แทงอยู่ในในตาเศธฐีไม่สามารถมองเด็กตรงๆได้จึงพยายามหาอุบายฆ่าเด็กอยู่ตลอดเวลาครั้งที่ห้า เศรษฐีมีเพื่อนเป็นช่างหม้ออยู่คนหนึ่งคิดว่าอาศัยมือช่างหม้อคงทำลายชีวิตของโคสกะได้จึงนัดหมายกับช่างหม้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้โคสกะถือจดหมายไปข้อความในจดหมายว่าเด็กคนนี้เป็นลูกที่เลวเมื่อมาถึงแล้วจงสับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วโยนลงไปในเตาเผาหม้อเราจะให้ขจ้างแก่ท่านหนึ่งพันกหาปณะนะ เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีรางวัลพิเศษอีกโคสกะอ่านหนังสือไม่ออกนำจดหมายฆ่าตัวเองไปพอดีขณะนั้นบุตรแท้ๆของเศรษฐีกำลังเล่นคลุบอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนๆกำลังแพ้มากเห็นโคสกะเดินมาโคสกะเป็นคนเล่นคลุบเก่งจึงเรียกให้ช่วยแก้มือเอาเงินคืนรับอาสาจะไปส่งจดหมายพ่อให้เอง ช่างหม้อไม่รู้จักลูกชายเศรษฐีเมื่อได้รับจดหมายก็ทำตามคำสั่งสับเด็กจนละเอียดแล้วโยนลงเตาเผาหม้อตกเย็นโคสกะกลับเข้าไปในบ้านเศรษฐีเห็นเช่นนั้นประหลาดใจจึงถามได้ทราบเรื่องราวทั้งปวงแล้วตกใจมากคร่ำครวญว่าอย่าฆ่าลูกฉันอย่าฆ่าลูกฉันประคองแขนทั้งสองวิ่งร้องไห้ไปยังบ้านช่างหม้อแต่สายเสียแล้ว ช่างม่อเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐียาเอะอะไปสิ่งใดที่ท่านสั่งให้ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าได้ทำสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเศรษฐีนั้นถูกความโทมนัสใหญ่หลวงท่วมทับเหมือนถูกภูเขาใหญ่ทับอยู่บนอกตามทํานองแห่งบุคคลผู้ประทุสร้ายต่อผู้ไม่ประทุสร้ายตนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ประทุสร้ายต่อผู้ไม่คิดประทุสร้ายย่อมได้รับฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งใน10บอย่างโดยพลันคือ 1. ประสบทุกขเวทนากล้าแข็ง 2. ประสบความเสื่อม 3. การแตกทำลายแห่งสรีระคือตาย 4. อาพาธหนัก 5. จิตฟุ้งซ่าน 6. อุปสรรคเหตุขาดข้องจากผู้ใหญ่ 7. การถูกกล่าวหาเรื่องร้ายแรง 8. เสื่อมญาติ 9. เสื่อมทรัพย์ 10. ไฟหรือไฟป่าอาจไม้บ้านเมื่อบุคคลนั้นตายแล้วย่อมเกิดในนรกนี่คือที่จะได้รับอันเป็นส่วนอนาคตหลังจากนั้นแล้วเศรษฐียิ่งเกลียดชังโคสกามากขึ้นความเกลียดชังนี้เองเร่งเร้าให้เศรษฐีพยายามขนขวายฆ่าโคสกะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาเขียนจดหมายถึงผู้จัด ก, การผลประโยชน์ในชนบทของเขาว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรเลวเมื่อมาถึงแล้วจงฆ่าเสียแล้วทิ้งในหลุมคูดดังนี้แล้วมอบจดหมายให้โคสกาถือไปนับเป็นครั้งที่หที่เศรษฐีพยายามฆ่าโคสกะโคสกะรับหนังสือสั่งฆ่าตัวเองใส่ชายพกแล้วถามบิดาว่าจะได้สเสบียงอาหารที่ไหนเศรษฐีตอบว่า ในระหว่างทางมีบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเพื่อนของข้าและบอกชื่อเศรษฐีนั้นแกไปถึงที่นั้นแล้วบอกว่ามาจากบ้านข้าเขาจะให้ที่พักและจุนเจือเรื่องอาหารการกินไปเถอะไม่ต้องกังวลโคสกะไปถึงบ้านนั้นบอกชื่อของเศรษฐีผู้เป็นบิดาตนก็ได้รับการรับรองด้วยดีปัญญาของเศรษฐีรู้สึกมีเมตตาจิตต่อโคสกะเป็นพิเศษ เศรษฐีบ้านนั้นมีที่ดาสาวสวยคนหนึ่งขณะเดียวกับที่มารดาของเธอกำลังต้อนรับโคสกะอยู่นั้นเธอได้ใช้ให้หญิงสาวชายของเธอไปซื้อของบางอย่างที่ตลาดเมื่อมารดาของเธอเห็นเข้าจึงเรียกมาใช้ให้ปูที่หลับที่นอนปัดกวาดห้องให้โคสกะเสียก่อนจึงไปตลาดช้าและกลับช้าไปหน่อยลูกสาวเศรษฐีจึงถามนางว่าทำไมจึงกลับมาช้ากว่าปกติ นางได้เล่าให้ฟังว่ามีแขกมาพักที่บ้านใครเขาชื่ออะไรทิดาเศรษฐีถามได้ยินคนานายเรียกโคสกะโคสกะเจ้าข้าหญิงรับใช้ตอบพอได้ยินคำว่าโคสกะเท่านั้นความรักก็แล่นเข้าจับใจของหญิงสาวมันเป็นความรักที่ได้สั่งสมติดต่อกันมาเป็นเวลานานความจริงทิดาเศรษฐีนั้นหาใช่ใครที่ไหนไม่ เธอคือนางกาลีพัญญาของนายโกตุฮาลิกนั่นเองซึ่งนายโกตุฮาลิกก็คือโคสกะเวลานี้เมื่อนายโกตุฮาลิกตายแล้วนางได้พยายามทำความดีต่อไปแม้จะยากจนทรัพย์แต่ไม่จนใจนางพยายามเอาแรงกายเข้าช่วยเหลือนายโคบาลในเรื่องบุญกุศลเมื่อสิ้นชีพจึงไปบังเกิดในเทวโลก ยุติจากเทวโลกแล้วมาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีเพราะกุศลวิบากที่นางได้ทำในสมัยที่เป็นนางกาลีด้วยประการชนีพอได้ยินคำว่าโคสกะเท่านั้นปุพพะสนหะคือความรักเก่าจึงท่วมหัวใจของนางสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความรักเมื่อจะเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เพราะการเคยรักกันมาในชาติก่อนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนดตก บ, บัวเกิดในน้ำย่อมอาศัยน้ำหรือเปลือกตมเกิดขึ้นเมื่อปลอดคนที่ดาเสียถีลงไปข้างล่างเห็นโคสกานอนหลับอยู่มีจดหมายติดชายพกอยู่ด้วยจดหมายอะไรหนอนางคิดชงนความอยากรู้อยากเห็นและความรัก ทำให้เธอดึงจดหมายออกจากชายพกของโคโซกะนำไปอ่านที่ห้องทราบเรื่องโดยตลอดแล้วอุทานออกมาว่าคนคนนี้ช่างโง่จริงเอาจดหมายสั่งฆ่าตัวติดชายพกแล้วเที่ยวไปทั่วบ้านทั่วเมืองน่าสงสารเหลือเกินถ้าเราไม่เห็นไหนเลือจะรอดชีวิตไปได้เธอฉีกจดหมายนั้นทิ้งแล้วเขียนจดหมายขึ้นใหม่ฉบับหนึ่งความว่า โคษกะนี้เป็นบุตรคนโตของเราเราประสงค์จะให้แต่งงานกับบุตรีของสุโมงคลาเสถียรชื่อสมมติสหายของเราเมื่อหลานเราได้รับจดหมายนี้แล้วจงรีบปลูกบ้านสองชั้นให้บุตรเราให้มีปราการหรือกำแพงที่มั่นคงมียามคุ้มครองรักษาแล้วจัดการแต่งงานให้กับสุมนาชื่อสมมติได้แก่ตัวผู้เขียนจดหมายนั่นเอง บุตรตรีของสุโมงคลาเศรษฐีขอให้หลานทำให้ดีที่สุดแล้วส่งข่าวให้เราทราบเมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ชายพกของโคสกะดังเดิมรีบขึ้นสู่ประสาทชั้นบนผู้จัด ก, การเพนประโยชน์ของเศรษฐีได้ทำทุกอย่างตามจดหมายที่เขาได้รับจากมือของโคสกะแล้วส่งข่าวไปให้เศรษฐีทราบเศรษฐีนั้นได้รับข่าวแล้วเกิดโทมนัอยางใหญ่หลวง รำพันออกมาว่าเราต้องการทำสิ่งใดแก่โคสกะสิ่งนั้นหาเป็นไม่เราไม่ต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นแก่โคสกะสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งร้ายที่โยนให้โคสกะกลับกลายเป็นสิ่งดีไปหมดนี่แหละบุคคลผู้อันกุศลกรรมคุ้มครองแล้วย่อมไม่ประสบภัยพิบัติไม่ว่าใครจะคิดร้ายสักปานใดส่วนผู้ที่ไม่มีกุศลกรรมคุ้มครอง มีแต่เวลานุเวณนติดตามย่อมประสบอันตรายเองความโศกถึงบุตรที่ตายไปหนึ่งความแค้นที่ทำอันตรายใดๆแกโคสกะไม่ได้หนึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายมากเศรษฐีนั้นลมป่วยลงสุมนาพัญญาของโคสกะเป็นหญิงฉลาดคาดการล่วงหน้าว่าการปองร้ายของเศรษฐีอาจไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น อาจมีแผนการร้ายอะไรอื่นต่อไปอีกจึงสั่งคนรับใช้ในบ้านไว้ว่าถ้าคนของเศรษฐีวิดาเลี้ยงของโคสกะมาที่บ้านด้วยธุระเกี่ยวกับโคสกะแล้วอย่าบอกให้โคสกะทราบจงบอกให้นางรู้ก่อนแต่ผู้เดียวฝ่ายเศรษฐีวิดาเลี้ยงของโคสกะเกรงว่าเมื่อตอนตายไปสมบัติจะกตกแก่โคสกะจึงให้คนไปตามโคสกะมา เพื่อบอกให้รู้การต่อหน้าว่าโคสกะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติใดๆเลยให้ผู้จัดการผลประโยชน์หรือทนายความประจําตระกูลเป็นพยานเอาไว้คนของเศรษฐีมาถึงบ้านของโคสกะและสุมน า, าชื่อส ม, มติแจ้งว่าเศรษฐีป่วยต้องการพบโคสกะผู้เป็นบุตรสุมน า, าถามว่าเศรษฐีป่วยหนักหรือไม่เมื่อทราบว่าไม่หนัก จึงขอร้องให้บุรุษผู้นั้นพักที่บ้านของตนก่อนจนกว่าเธอจะยอมให้ไปเมื่อเศรษฐีส่งคนมาในวาระที่สองก็ได้ให้การต้อนรับในทำนองเดียวกันเพราะวาระที่สามเศรษฐีป่วยหนักมากสุมาาทราบดังนั้นจึงบอกสามีได้เดินทางมายัางบ้านของเศรษฐีสุมนานัดหมายกับสามีว่า เมื่อไปถึงแล้วให้สามียืนอยู่ด้านปลายเท้าของเศรษฐีส่วนตนจะยืนอยู่ด้านเหนือศีรษะนอกจากนี้แล้วยังให้คนของตนอารักขาอยู่ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทุกอย่างเป็นไปตามที่นัดหมายผู้จัดการผลประโยชน์ได้เรียนให้ท่านเศรษฐีทราบว่าบัดนี้โคสกาผู้บุตรได้มาถึงแล้วเศรษฐีให้ผู้จัดการผลประโยชน์รายงานให้ทราบว่า ทรัพย์สมบัติทั้งหมดมีอยู่เท่าใดเมื่อผู้จัดการเพื่นประโยชน์รายงานให้ทราบหมดแล้วเศรษฐีมีความประสงค์จะกล่าวว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเราไม่ให้แกโคสกะแต่เราให้แกแต่เมื่อถึงคราวพูดจริงเศรษฐีกลับพูดเรื่องให้ก่อนพูดเรื่องไม่ให้ทีหลังพอเศรษฐีพูดว่าเราให้เท่านั้นสุมนณาเครงว่าเขาจะพูดคาอื่นต่อไปอีก จึงแร้ทำเป็นโสกาดูนคลุกศีษะลงบนอกของเศรษฐีคร่ำครวนรำพันต่างๆทำนองลูกที่มีความอาลัยต่อพ่อจนสุดจะทนได้จนเศรษฐีต้องตายโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกเลยพระเจ้าอุเทน ร, ราชาแห่งโกสัมพีทรงทราบว่าเศรษฐีมีบุตรอยู่คนหนึ่งคือโคสกะและทรัพทั้งปวงตกแก่โคสกะจึงรับสั่งให้โคสกะเข้าเฝ้า บังเอิญวันที่โคสกาเข้าเฝ้านั้นฝนตกหนักน้ำท่วมกระทั่งพระลานหลวงโคสกากระโดดโลดเต้นไปในน้ำพระราชาประทับทอดพระเดตอยู่ที่ใกล้พระบัญชรเมื่อโคสกาเข้าเฝ้าทรงปลอบโยนว่าบิดาของท่านหาชีวิตไม่แล้วอย่าเสียใจอย่าเศร้าโศกเลยเราจะมอ่วตำแหน่งเศรษฐีให้แก่ท่านสืบไป ในขณะที่โคสกะเดินทางกลับนั้นเขาค่อยๆเดินลมน้ําค่อยๆไปไม่กระโดดโลดเต้นเหมือนคราวไปเฝ้าพระราชาฝ่ายพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรอยู่ที่ช่องพระแกลได้เห็นดังนั้นจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปตามโคสกะมาเฝ้าอีกครั้งหนึ่งตรัสถามว่าทําไมเมื่อมาจึงกระโดดโลดเต้นมาแต่เมื่อกลับค่อยๆเดินไปโคสกะกราบทูลว่า เมื่อมานั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อกลับพระราชาพระราชทานตําแหน่งเศรษฐีให้แล้วเศรษฐีจะทําอย่างเด็กชาวบ้านหาสมควรไหมพระราชาทรงดําริว่าบุคคลผู้นี้ฉลาดรู้การอันควรและไม่ควรแก่ตนเขาควรแก่ตําแหน่งเศรษฐีอย่างยิ่งเราควรยกย่องเขาให้ปรากฏดังนี้พระราชทานสิ่งอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเศรษฐีอย่างร้อย โคสกะนั้นยืนบนรถทมประทักษิณนพนครรมนครโกสัมีให้เอิกระเิกแล้วฝ่ายสุมาาพันยาของโคสกะได้ยืนมองดูสามีอยู่ที่หน้าต่างเห็นสามีพร้อมด้วยกิจยศอันยิ่งใหญ่จึงพูดกับนางกาลีคือหญิงคนใช้ที่นำโคสกะไปทิ้งหลายครั้งว่าดูเถิดกาลีโคสกะได้สมบัติใหญ่เห็นปานนี้เพราะเราแท้ เมื่อนางกาลีสงสัยเรียนถามนางจึงเล่าให้ฟังตั้งแต่โคสกะนำจดหมายค่าตัวติดชายพกไปนางกาลีจึงเล่าเรื่องเบื้องต้นของโคสกะให้สุมาาฟังเหมือนกันขณะที่โคสกะกลับมานั้นสุมนาระลึกอยู่ว่าโคสกะได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะตนโดยแท้จึงโหราขึ้น โคสกะเห็นอาการหัวเราะของพันยาเหมือนมีเล็ดในอยู่จึงถามว่าหัวเราะเพราะเหตุไรนางเล่าเรื่องของเขาให้ฟังตั้งแต่ถือจดหมายฆ่าตัวไปและสรุปว่าที่ได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะนางได้ช่วยเหลือโคสกะฟังแล้วไม่เชื่อหาว่าพันยาปั้นเรื่องขึ้นต่อเมื่อนางกาลียืนยันและเล่าเรื่องแต่ต้นให้ฟังอีกคนหนึ่ง โคสกะจึงเชื่อและได้สลดใจเป็นอันมากโปรงสังเวชว่ากรรมของเราหนักแท้คงมีเวลานุเวณติดตามมาเราพ้นจากความตายเห็นปานนี้คงพระบุญช่วยคุ้มครองรักษาเราจะประมาทไม่ได้แล้วต้องรีบขนขวายทำบุญกุศลตั้งแต่นั้นมาโคสกะได้สละทรัพย์วั ล, ลพันกหาปหนานา เพื่อทำอาหารเครื่องอุปโภคแจกจ่ายแก่คนกํมพาราคนยากจนและคนทุกข์พลภภาพตั้งให้กระดุมพีผู้หนึ่งชื่อมิตรเป็นผู้จัดแจงทานเรื่องของโคสกะที่นำมาเล่าประกอบนี้เพื่อชี้หเห็นว่ากรรมไม่ได้สูญหายไปเมื่อบุคคลตายแล้วแต่จะติดตามให้ผลอยู่ตลอดเวลาส่วนชั่วทำให้ตกต่ำลำบากส่วนดีช่วยคุ้มครองรักษา ผู้ที่กุศลกรรมคุ้มครองแล้วย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้